เพระองค์เนี่ยเป็นเป็นผู้เห็นมูลพระพุทธเจ้าเห็นมูลทั้งอกุศลมูลของวัตะทั้งหมดก็มีวิชาเป็นมูลส่วนมูลของวิวัตะความหลุดพ้นจากวัตะก็มีความไม่ประมาทเป็นมูลอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าอาวิชชาเป็นมูลแห่งสังขารนีนะก็คําว่ามูลเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรมูลนี่เป็นชื่อของ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 เพานั้นพระพุทธมีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้เรียกว่าพระองค์เนี่ยทรงเห็นมูลเห็นด้วยรู้ด้วยสัพพัญยุตยานเห็นด้วยสมันตะจกักษุเนี่ยนะพระองค์นี่เห็นมูลแห่งปฏิจจสมุปาฏิเนี่ยนะเห็นมูลแห่งวัตตะทั้งหลายเนั้นก็แสดงว่าแต่ละอย่างที่อย่างเช่นนะถ้าชีวิตของเราตอนนี้นีว่าเวทนาที่กําลังเกิดตอนนี้เนี่ยพระองค์เห็นมูลเลยใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากภาษาภาษะ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 เวทนาล่ะก็เป็นมูลแห่งตันหาพอตันหาก็เป็นมูลแห่งความยึดถือดูอุปาทานพอยึดถือความยึดถื อ, อ น, นั้นก็เป็นมูลแห่งกายกรรมเมจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านี้เป็นมูลแห่งวิบากวิบากขณะที่ยังลงครั้งแรกในภพนั้นก็เรียกว่าชาตินั่นก็จะเป็นมูลแก่การต่อการอะไรเนี่ยพอใ น, นคําว่ามูลเหตุนิทานสมภพสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็น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 กิงนิสิตาความว่าอาศัยคือหวังเยื่อใหญ่เข้าไปใกล้พวพันธุ์น้อมใจซึ่งอะไรคำว่าฤอษีก็คือพวกใดพวกหนึ่งที่บวชเป็นฤอษีอาชีวกนิครนชดินดาบทชื่อว่าฤอษีส่วนมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์พวกกษัตริตย์กษัตริย์ก็ก็อย่างที่รู้กันนะนะพวกชาติกษัตริย์เป็นต้นเราได้เราหนึง่ง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 นิครนก er ็เ <drawn> ป <st> er ็นเทวดาของพวกนิครนสาวกชดินก็เป็นเทวดาของพวกชดินสาวกปริพาชกก็เป็นเทวดาของปริพาชกสาวกดาบทก็เป็นเทวดาของดาบทสาวกเนี่ยช้างก็เป็นเทวดาของพวกที่ประพฤติวัดแบบช้างอ่ะนก็ถือนับถือเทวดานับถือช้างอ่ะม้าก็เป็นเทวดาของประพวกประพฤติวัดแบบม้าโคก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติวัดแบบโคสุนัขก็เป็นเทวดาของพวกประพฤต กูรูรพฤก็คือวัดของสุนัขเนี่ยนะกาก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติกากับพรษก็คือประพฤติวัดของกาเท้าวาสุเทพก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติวาสุเทพพรษโพลเทพก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติโพลเทพพรษเท้าปุณณะพัฒน์ก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติปุณณะพัฒนพรษก็มณิพัฒ ก็เป็นเทวดาของพวกประเพติมณิพัฒนพรตหรือไฟก็เป็นเทวดาของพวกประเพติอัคคีพรตพวกที่บูชาไฟนะตื่นเช้ามาเขาจะเอาเนยใสเน้ ui, อะไรหยอดลงไปในไฟเรือ่อยเพื่อบูชาไฟอะ่ะหรือนาคก็เป็นเทวดาของพวกประเพตินาคพรตครุดเนี่ยนะครุดก็เป็นเทวดาของพวกประเพติสุวรรณพรตพันอสูรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติยักษ์พรต พวกยักษ์ก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติยักษพระเนี่ยนะคนทันก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติคันทัพพรตเท้าวมหาราชก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติมหาราชพรตจันทเทวบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติจันทพรตสุริยเทพบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติสุริยพรตอินทเทพบุตรก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติอินทพรตพรหมก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติพรหมพรตเนี่ยนะ พวกเทพเป็นเทวดาของพวกประพฤติทเทพพรตที่ทั้งหลายก็เป็นเทวดาของพวกประพฤติ ท, ทิพพรสพระทักษิณยะบุคคลก็สมควรแก่ทายาทธรรมของชนเหล่าใดก็ถือว่าเป็นเทวดาของชนเหล่านั้นการว่าที่บุคคลใดเป็นที่ที่ควรรักสักการะเคารพของเขาอะนะที่เขามีอะไรเขาเอาไปทำบุญกับพวกนั้นะ่ะพวกใดก็ตามก็ถือว่าเป็นเทวดาของพวกนั้นคือที่เขาบูชาเนี่ยนะ สรุปโอเทวดานี่มีเยอะนะก็แล้วแต่ลัที่ใดนะนับถือใครก็นั่นแหละถือว่าเทวดาของสายนั้นแหละไม่ว่าจะเป็น ok ok ah ah. อาชีวกนิครนชดินปริภาชกดาบทช้างมาโคสุนักกานะบางทีก็พวกนับถือจระเข้ก็มีนะนับพวกนับถือสิงสาราสัตว์เนี่ยนะก็เอาพวกนั้ น, นเป็นเทวดาไม้กระทั่งนับถือท้าววาสุเทพพลเทพท้าวปุญพัฒท้าวมณิพัฒหรือนับถือไฟหน้าครุดยักษ์อสูน คนทันท้ามหาราชนับถือจันเทพบุตรสุริยะเทพบุตรอินทเทพบุตรหรือนับถือพรมทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พากันนับถือกันทีนี้การนับถือก็ไม่ใช่นับถืออย่างเดียวนะก็หลังไตรยธรรมบูชาให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยุ่ยาทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ให้ปัจจัยสี่ให้ข้าวให้น้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูกไล่ที่นอนที่พักเครื่องประทีบทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่ายัน ก็คือให้ปัจจัยสี่กับวัตถุทานนั่นแหละเอาไปบูชาเนี่ย น, นะเอาสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายันสแสวงหาแล้วซึ่งยันคําว่าแม่ชนเหล่าใดเสาหาสแสวงหาสืบหาปัจจัย4ี่เนี่ยนะกับวัตถุทาน10เหล่านี้ก็เรียกว่าสแสวงหายันใครที่จัดแจงปัจจัยสี่วัตถุทาน10เหล่านี้ก็เรียกว่าแสวงหายันคนที่ให้ปัจจัยสี่ให้วัตถุทานสิ ที่กล่าวไปก็เรียกว่าสแสวงหายันเหมือนกันท่า น, นคนเหล่านั้นเป็นอันมากก็นะก็พาผู้บูชายันก็มากพระทักขินายะบุคคลก็มากตัวยันนะนะคือของที่จะบูชาก็เยอะพวกที่บูชาก็เยอะพวกที่รับการรับรับของบูชาก็เยอะเหมือนกันเช่นว่ายันเหล่านั้นนะันมากเป็นอย่างไรก็คือปัจจัยสี่หรือพวกผ้านะ พวกข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของห้องเครื่องลูกไลท้ที่นอนที่พักประทีป พ, พวกนี้ทั้งหมดอ่ะหรือผู้บูชายัญก็มากะนะไม่ว่าจักรตรรดิพราหมณ์แพทย์สูตรครหัตถ์บัรปชิตเทวดามนุษย์อ่ะเนี่ยพวกนี้ก็บูชายัญกันทั้งนั้นคือเอาปัจจัย4เป็นต้นนะบูชาหรือพวกทักคินยะบุคคลผู้รับก็มีมากทักคินยะบุคคลมากก็คือสมณะพราหมณ์ยาจกวณิพกสาวกหรือพระทักคินยะบุคคลของพวกนั้นอ่ะแล้วแต่เขานับถือใครอ่ะนะ เขาให้ใครพวกนั้นก็ถือว่าเป็นทักษินยายะบุคคลของพวกนั้นให้ทานกับพวกคนกำพร้าก็ถือว่าคนกัมพร้าเนี่ยเป็นทักษินายาบุคคลของเขาไปให้ทานแก่กลุ่มใดก็ตามให้ทานกับมดปลวกเดรฉ า, านก็ถือว่าทักษินายาบุคคลผู้ควรแกทักษิณาของเขาอ่ะเนี่ยเนีที่คำถามว่ารือสีมนุษย์กษัตริย์พรามเป็นอันมาก อาศัยอะไรจึงพากันแสวงหายันให้แก่เทวดาทั้งหลายที่ที่บอกว่ามีประสงค์ด้วยปัญหาเนี่ยนะคำว่าปัญหาที่ที่เขาถามเนี่ยที่บอกว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นน่ะการถามปัญหาเนี่ยนะบางอย่างก็เป็นอธิฐะโชจนาปุจชาทิฏฐสังธนาสังสันธนาปุจชาวิมติเฉทนาปุชชา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 จริงก็ทั้งก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่ก็หาเพื่อนคุยป้ายถามเพื่อจะคุยกันนะ่ะเขาเรียกว่าทิฏฐสังสรรณาปุชาก็ถามเพื่อความรู้ความเห็นเพื่อนสนทนากันนี่แหละส่วนอย่างที่สมก็คือวิมติเฉทนาปุชาก็คือบุคคลแล่นไปสู่ความสงสยัยความเคลือบแคลงความมีใจเป็นสองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรือเนอหรือไม่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นไฉนหนอหรือเป็นอย่างไร ดังนี้โดยปกติบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อต้องการตัดความเคลือบแคลงสงสัยเสียอย่างนี้ชื่อว่าวิมติเฉทนาปุชา่าส่วนปุช่าอีก3ประการก็คือมนุษย์ปุชา่าอมนุษย์สปุช่านิมิตต์ปุช่ามนุษย์ปุชา่ช า, ชาก็คือพวกมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วย่อมทูลถามปัญหา หรือแม้กระทั่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหากระสับเนี่ยนะพราหมณแพทยสูตรครือหัดบัปรปะชิตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วก็ทูลถามปัญหาในพระไตรปิฎกกรเยอนนะลักษณะปัญหาที่เขาเข้าไปถามพระพุทธเจ้ากันส่วนอามนุษย์ปุชชาอามนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะว่าเช่นอามนุษเนี่ยย่อมทูลถามปัญหาไม่ว่าจะเป็นนาคครุดยักษ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 ปุราเพทสูตรจุลวิยูหสูตรมหาวิยูหสูตรเนี่ยนะหรือว่าอะไรตัววัตตะสูตรอะสูตรเราเนียเป็นสูตรที่พระพุทธเนรมิตเนี่ยท่านทูลถามปัญหา